ข้อความในมัชฌิมานิกายมูลปัญธาวิมังสกะสูตรวิมังสกะสูตรนั้นก็มาจากวิมังสานั่นแหละก็คือการสํารวจตรวจสอบการพิจารณาการไข้ครวญปกติแล้วการาวิมังสกะหรือวิมังสกะวิมังสานี่นแปลว่าการสํารวจการตรวจสอบการพิจารณาการสอบสวน การสำรวจตรวจสอบเนี่ยนะในพระไตรปิฎกนั้นมีอยู่สามอย่างด้วยกันอย่างแรกนะในอัตตกถาบอกว่าการสอบสวนอัฏฐะอย่างที่สองการสอบสวนสังขารอย่างที่สามการสอบสวนพระศ า, าสดา ค, คือการตรวจสอบพระพุทธเจ้าตรวจสอบอัฏตรวจสอบสังขารแล้วก็ตรวจสอบพระพุทธเจ้าถามแต่ละอย่างนั้นรายละเอียดมีอยู่ว่า การสอบสวนอัตตะอย่างพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านผู้มีอายุมนุษย์ทั้งหลายผู้ฉลาดย่อมเป็นผู้สอบสวนเรียกว่าการที่เราได้ยินได้ฟังอะไรมาสักอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าเรารีบปลงใจเชื่อในเรื่องนั้นเลยตรวจสอบข้อมูลดูก่อ น, นนะการสอบสวนอัตตะก็คือตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลว่าความเข้าใจของเรากับสื่อสารที่เรารับมาเนี่ยมันตรงกันหรือไม่ สมัยปัจจุบันนี้มันเป็นปัญหาอันหนึ่งก็คือการสื่อสารกันไอคนพูดเนี่ยเข้าใจอย่างหนึ่งไอคนฟังฟังอีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้นอีกคนหนึ่งบอกไปอีกคนหนึ่งขยันมากรีบไปปฏิบัติการทันทีตามความเข้าใจของผู้รับฟังแต่ไม่ใช่ตามคําสั่งนะถามว่าอะไรเกิดขึ้นก็นํามาซึ่งความเสียหายซึ่งอย่างสมมติว่าคนอื่นก็ฝากซื้อของหน่อย ให้เราก็รีบรับคำยังนึกไม่ออกว่าเขาให้ซื้ออะไรปริมาณเท่าใดขนาดอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะบางทีอาจจะซื้อมาคนละยี่ห้อแล้วมันก็มีปัญหาหรือลักษณะคำสั่งแบบคำสั่งทั่วๆไปเนี่ยนะอย่างเจ้านายสั่งงานลูกน้องลูกน้องก็เข้าใจทันทีเข้าใจในความหมายของลูกน้องแต่ไม่ได้ในความหมายของเจ้านายมันก็เลยคนละเรื่องกันเลยเนี่ยนะ พอผลงานออกมาคนละอย่างกันเลยเพันธ์คาสั่งกับผู้ที่รับคําสั่งนั้นอันนี้จะต้องมีการสอบสวนเนี่ยนะมีการสอบสวนกันให้ดีว่าคนที่เขาบอกเรามาเนี่ยเขาบอกเราอย่างที่เราเข้าใจจริงหรือเนี่ยนะพันธอะไรที่มันมีผลต่อการปฏิบัตินั้นผู้ที่ต้องไปปฏิบัตินั้นควรตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่มีการตรวจสอบอะไรเกิดขึ้น เห็นแค่พยัญชนะแล้วรีบปฏิบัติการเนี่ยเราเราอาจจะไม่เข้าใจตามนั้นอย่างเป็นจริงก็ได้เนี่ยนะเห็นแค่ข้อมูลนิดๆหน่อยๆก็อาจจะรีบดาเนินการไปเลยโดยที่ไม่ตรวจสอบการไม่ตรวจสอบนั้นนำมาเึื่อความเสียหายแล้วก็มีความผิดพลาดเพราะฉะนั้นการเช็คข้อมูลนี่เป็นตัวที่สาคัญมากว่าจริงหรือไม่ความเข้าใจของเราเนี่ยนะจริงอย่างที่คนอื่นเขาพูดไหมอย่างสมมติว่า เราเนี่ยได้ฟังว่าคนโน้นเขาพูดถึงเราแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราบางทีรีบชอบรีบกโกรธไปเลยโดยที่ไม่สอบสวนว่าเอ๊ะคนที่เขาพูดนี่เขามีความประสงค์อะไรแล้วเขาพูดแล้วเขาคิดอย่างไรเขาเข้าใจอย่างไรเขาจึงได้พูดเขาเข้าใจถูกหรือเขาเข้าใจผิดอ น, นั้นมันเพราะอะไรเนี่ยนะทำไมเราบางทีเราเรีบไปไปสรุปทันทีเพราะได้ยินได้ฟังมา อย่างบางคนเนี่ยเราได้ข่าวว่าคนโน้นเขาไม่ดีดีจริงหรือไม่ดีจริงเราก็ไม่เห็นเนี่ยนะบางอย่างเราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแต่เราก็รีบด่วนสรุปผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายเขาไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะไม่รีบได้ข้อมูลเนี่ยได้ยินได้ฟังมาเขาเขา้าใจแล้วโดยพยัญชนะเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างนี้แล้วความหมายจริงๆของผู้ที่เขาสื่อมาเนี่ยเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่อย่างาระดับสูงเข้าไปอีกแม้กระทั่งการปฏิบัติธรรม เราได้ฟังคําสอนมาว่าพระพุทธพจน์พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นอั น, นเนี่ยคำว่าจริงๆแล้วเป็นคําที่ตัดตอนมาอีกครั้งหนึ่งละแล้วคําเต็มเนี่คืออะไรทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นทีนี้ต้องมาอธิบายอีกครั้งว่าทำทั้งปวงอะคืออะไรอะไรชื่อว่าทำทั้งปวงอะไรชื่อว่ายึดมั่นแล้วอย่างไรจึงชื่อว่าไม่ยึดมั่นทีนี้คนที่ไม่เข้าใจก็แปลว่า ปล่อยปละละเลยไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องสนใจไม่ต้องดักใจไม่ต้องเก็บเอามาคิดทั้งนั้นแปลว่าช่างมันนะอันนี้เรียกว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นกลายเป็นว่าแปลว่าช่างมันเอาเ น, นี้ยคนละเรื่องเขาบอกโอ้ว่งเราเรียนธรรมะเนี่ยเรียนไปเรียนมาเขาบอกว่ารู้จักวางเฉยก็แปลว่าอะไรช่างมันอีกเหมือนกันรู้จักวางเฉยซะบ้างก็แปลว่ารู้จักช่างมันซะบ้างเนี่ยแปลว่าเข้าใจธรรมะอย่างผิดพลาดเนี่ยนะ สอบสวนธรรมะอย่างผิดพลาดอันนี้คือความเข้าใจอัตตะที่ไม่ถูกต้องแม้กระทั่งวสติประธานสติประธานพุทธพจน์องค์อธิบายว่าอย่างไรบางทีมาเล่นคําเนี่ยนะมาเล่นซ้ำตีเออสติมันระลึกฐานะก็แปลว่าที่ตั้งเออสตินี่มันระลึกมันตั้งไปที่ตั้งก็แปลว่ามันเหมือนกับเราวางของถูกตําแหน่งก็วางแแม่เข้าไปจบเนี่ยนะเออพันสติมันก็มีอยู่เท่านี้เพราะสติที่ระลึกที่ฐานตั้งไว้ที่ฐาน อันละรายละเอียดเป็นยังไงเราไม่ต้งสนใจหรอกเนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยตั้งไว้ระลึกไว้อย่างนี้พอแล้วและสติระลึกเนี่ยสติเป็นยังไงบอกไม่รู้อันนี้คือการไม่สอบสวนมันก็นํามาซึ่งความเสียหายเนี่ยนะเสียหายมากขนาดไหนก็เสียหายมากแล้วแหละแล้วแนหะเสียหายจนเสียจากมรรคผลก็ได้ใครจะไปรู้ว่ามีอัธยาศัยที่จะมีมรรคผลแต่ว่าเนื่องจากฟังข้อมูลที่ผิดพลาดเป็นต้นเสื่อมจากมรรคผลสมัยพุทธกาลเนี่ยมีไม่ใช่ไม่มี ทีนี้การสอบสวนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญว่าสิ่งนั้นเราเข้าใจถูกไหมพยัญชนะนั้นมีความหมายว่าอย่างนั้นจริงหรือไม่มีหลักฐานที่ใดบ้างอธิบายว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปกติพื้นฐานต้องเป็นผู้ที่หมั่นสอบสวนทุกเรื่องอะนะแม้กระทั่งว่าทางโลกเนี่ยเจ้านายสั่งงานลงมาเราก็ต้องมีการสอบสวนว่าไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่เขาเขาสั่งมาหรือไม่หรือเราแบบอะไรนะรับปากรับคา อย่างคนอื่นเขาไหว้าวานให้เราทำอะไรช่วยอะไรหน่อยเนี่ยเราต้องถามอีกทีว่าไอ้สิ่งที่เขาขอร้องให้เราช่วยเนี่ยมันอย่างเดียวกันที่เรากำลังจะช่วยอยู่หรือเปล่าเพราะช่วยไปช่วยมากลายเป็นว่าสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งแม้กระทั่งว่าข้อมูลข่าวสารในการรับสื่อเนี่ยอ่ามันตรงตามตามนั้นจริงหรือไม่เนี่ยนกเราว่าสอบสวนอัฐสอบสวนเนื้อความแล้วความจริงอะ่ะคืออะไร เนี่ยเพราะฉะนั้นอย่ากล่วว่าต้องหมั่นสอบสวนผู้มีปัญญาหรือบัณฑิตทั้งหลายเขาเป็นนักสอบสวนเนี่ยนะ So อย่างที่สองเรียกว่าสอบสวนสังขารสอบสวนในธาตุสอบสวนในอายตนะสอบสวนในปฏิจจในฐานะอฐานะอันนี้เรียกว่าสอบสวนสังขารว่าเออเนี่ยจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุก็คือสอบสวนหรือเป็นผู้ที่ฉลาดในขันธาตุอายตนะฐานะอัานะอันนี้ก็เรียกว่าผู้สอบสวนในสังขารเนี่ยนะเรียกว่าตรวจสอบเออสภาวะของสังขารเหล่านี้เป็นอย่างไรสภาวะของสังขารอย่างนี้ เป็นอย่างไรพอมาพระสูตรนี้เป็นการสอบสวนพระพุทธเจ้านะไหสอบสวนพระพุทธเจ้าถามว่าทําไมทําไมต้องสอบสวนพระพุทธเจ้าด้วยเดี๋ยวค่อยๆดูพระสูตรต่อไปในข้อ535หน้า387ข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีใกล้กรุงสาวถี ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็รับสนองพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไข้ครวนคือผู้ที่เป็นนักไข้ครวนเนี่ยนะเมื่อไม่รู้กระบวนจิตกระแสความคิดของผู้อื่น หมายเขาว่าไม่รู้วาระจิตของคนอื่นเลยว่าคนอื่นเนี่ยสภาวะจิตของเขาเป็นยังไงไม่มีเจโตปริยญาณไม่มีอาสัานุสยะญาณไม่มีสัพพัญยุตยานไปสํารวจตรวจสอบจะที่จะเข้าใจว่าเออแล้วมันจริงหรือเปล่าอะไรแ่าเพราะเขาบกว่าอ่านวาระจิตกันไม่ได้เนี่ยนะทีนี้ทําไงแต่ว่าต้องการสอบสวนแต่กําหนดวาระจิตไม่ได้เช่นต้องการจะตรวจสอบพระพุทธเจ้า แต่ไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าคิดอะไรตรวจสอบความคิดไม่ได้แล้วทําไงดีเพราะฉะนั้นเขาต้องการจะสอบสวนในพระตถาโคดจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความรู้อย่างแจ่มแจ้งด้วยประการชนนี้หรือไม่จริงหรือเนี่ยนะก็คําถามว่าจริงหรือที่พระองค์เป็นพระอรหันต์จริงหรือที่พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงหรือที่พระองค์เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะจริงหรือ ที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เป็นพระสุคตผู้รู้แจ้งโลกเป็นต้นเน่ยนะตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเธออยากไข่ครูนอย่าตรวจสอบเราพระองค์ไม่ได้ห้ามแบบนั้นเลยนะแต่พระองค์บอกว่าถ้าจะสำรวจตรวจสอบเนี่ยจะทํำยังไงถ้าถ้าอยากจริงๆอ่ะไม่มีเจโตปริยานแต่อยากตรวจสอบพระพุทธเจ้าอ่ะจะทำยังไงดีเออมีที่เดียวนะที่บอกว่าถ้าเธออยากตรวจสอบฉันนะเธอจะทำยังไง ก็มีพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะคือคือคนที่ดีจริงอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมอยากจะตรวจสอบก็มาสิก็ไม่มีอะไรก็มาสิเนี่ยนะพระพิสุทั้งหลายก็ตอบพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมทั้งหลายของพวกข้าพระองค์เนี่ยมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้นํามีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่ง พระพุทธเจ้าข้าดีเนาะแปลว่าสาธุขอเนื้อความพาสิทธ์นั้นจงแจมแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเถิดพิกษูต ท, ทั้งหลายฟังเนื้อความนั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าและจักจําเอาไว้มขอให้พระองค์เนี่ยได้บอกได้แสดงด้วยเถิดนี่นะคือต้องการจะสอบสวนว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าผู้รู้จริงหรือเปล่าเ น, น, นะนะดีจริงไหมว่างั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าก็บอกว่าพิสูุนทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกเธอจงฟังจงตั้งใจให้ดีเราจะกล่าวพิสูุนนั้นก็รับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าคาน่นะก็ให้ดีนะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะสอบสวนผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ที่เป็นพระาศาสดาเนี่ยทไมจาต้องสอบสวนทาไมเนี่ยนะ ในอัตถกถาหน้า393ร้อยเ้าสิามนี่ยนะย้อหน้าล่างๆบอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงการเข้าไปอาศัยกัลยาณมิตรที่กล่าวถึงว่าภิกษุพึงสแสวงหาในพระตถาคต ด, ด้วยเหตุสองอย่างเลยนะก็คือเพราะความที่พระตถาคตนี้เป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นมหากัลยาณมิตรเป็นกัลยาณมิตรที่ใหญ่มากเนี่ยนะและสําคัญมากที่สุด คือการที่เราเข้าไปพึ่งพิงอิงอาศัยพระพุทธเจ้าเราก็ควรที่จะเข้าใจในพระพุทธคุณนั่นนะควรที่จะรู้จักพระพุทธคุณเพราะพระองค์เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรเหมือนกับว่าเราจะมาทุ่มเททั้งกายทั้งจิตทุ่มเททั้งการปฏิบัติเนี่ยนะตามพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เข้าใจเลยว่าพระองค์เนี่ยเป็นเป็นใครมาจากไหนมีคุณอย่างไรพระองค์บอกสอนอะไรเรา ถ้าเราประพฤติปฏิบัติเป็นต้นแล้วจะมีผลต่อไปอย่างไรถ้าเราไม่สอบสวนแล้วเรารีบประพฤติปฏิบัติทุ่มทุนลงแรงลงกายด้วยร่างกายและชีวิตนี่ถามว่าอนั้ถ้าถ้าถ้าถูกบุคคลก็ดีไปแต่การที่พระองค์บอกให้ตรวจสอบอย่างนี้เราจะได้เทียบเคียงว่าเออเนี่ยในกรณีอื่นๆก็ในยะเดียวกันว่าเรานี้ได้ตรวจสอบดีไหมเนี่ยนะที่เราจะประพฤติปฏิบัติ กาลยานามิตรเนี่ยแปลภาษาหนึ่งก็ครูอาจารย์อยนี้นะเรารู้จักครูอาจารย์หรือบุคคลที่เรียกว่าทุ่มเทให้ทั้งกายและใจเนี่ยคนที่เราทุ่มเทให้เขาเนี่ยเขาเป็นใครเขาเข้าดีอย่างไรตรงนี้ก็บอกว่าพุทธังสรารนางังคัจฉามีใช่ไหมเราทุ่มเทเพื่อพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์เนี่ยเป็นอย่างไรในฐานะที่พระองค์เป็นกาลยาณมิตรเหมือนอย่างที่เขาถามว่าเอ้าพวกคุณนับถือพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าดีอย่างไรพวกคุณจึงนับถือนะนะพระพุทธคุณมีอะไรบ้างดีอย่างไรซึ่งถ้าเราตอบไม่ได้นี่แหมมันก็มันก็น่าเกลียดมากๆเลยนะบอกว่าทํางานทุ่มเททั้งกายทั้งใจกล่าวว่าเสียสละทุกอย่างเพื่อพระพุทธเจ้าและพระพุทธคุณเป็นอย่างไรไม่รู้เลยนี่ก็คิดหรือว่าเราจะเลื่อมใสได้นานนะนะคิดหรือว่าเราจะเลื่อมใสจริงเพียงแต่ว่าถ้ามีเหตุการณ์ตัวแปรบางอย่างเราอาจจะเลิกก็ได้ถ้าเราไม่ ไม่รอบรู้เลยนะนะ